ร้อนแรมมาชานานไว้วนผ่านฉันพบภูมินาหนานำพากรรมชั่วดีสร้างเงาหลอกล่อนในตัวตนมืดมน เปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนแปลงละปลาใจว่ามีรู้สิ้นแปลแปลพันดินทั้งสุดช้าเร็วตามกันที่ถูกบันดาลด้วยกรรมเก่าหมดกรรมแค่เผาฝังพื้นดินสู่การดิน เสือช่วยนำสู่แดนไม่ไหลนิรันด์กันดานแรงแห่งปากเท่าใดฝ่าฟันดันดนไปแสนไกลจนที่สุดพบผ่านผู้มีรือไทยปลานี หมดอะไรอาจจะต้องตายไปอย่างคนไรคะ่ะสบโชกจะตาที่โหดร้ายก็ยินดีในชีวิตนี้เดินตามมาค่ะเหลือาตาคราเซนเช่นไรกย็ยอมจะเพียนน้องใจไปสู่ฝั่งฟ้า จุดครังให้ทอกายใจจะทนปีนขึ้นไปแม้มือแตกรล้าพังหยับเยินเศราซึมเมื่อเลียวแลกเห็นความน่ากลัวที่เคยจองจำ หญ่ที่ฟังลึกกินใจหมดสิ้นกันที่